ธรรมชาดกแผ่นที่สิบสองลำดับที่สิบสามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่านกขมิ้นสอนลิงวอกเราได้ยินเสียงเสนีร้องไหมมันร้องขยันเหลือเกินร้องเอาจิงเอาจังจริงเมื่อวาน พอแล้วมันฝนมันก็คงจะตกฝงฝนคงจะตกยืดเยะนะื้อน่ะคงจะตกยาวนานแต่รู้สึกว่าวันนี้ระวังระวังหน้าผู้ใดหลวงพ่อไปบินทบาทกับรู้สึกว่าขี้ตะไคร้มันเกาะถนนทางบินทบาทรื่นพอสมควรอยู่วันนี้ ถ้ามันตกไปอีกสักสองสามวันผู้ใดอยู่นะที่ใดต้องระวังนะระวังเป็นพิเศษถ้าไม่เป็นจําเป็นอย่าออกไปเดินอย่าออกไปเดินเพนผ่านออกไปเดินเล่นดูๆและอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ไม่ชอบฟังใครนะผู้สูงอายุเนะ่ว่าตัวเองเคยผ่านเคยเก่งมาแล้วอพอเดินไปเท่านั้นมันแปัดเดียวเท่านั้นแนะ่ะรองเท้ามันเอาไม่อยู่พอรองเท้าไม่อยู่เท่านั้นนะ่ะหงายหลังฮนะถ้าหงายหลังนะไม่กระโ p ก็แขนเลยวทน น, นะถ้าเอาศอกลงไปกับท่อนบนนะถ้าเอามือลงกันนะั่นะข้อมือ ถ้าหากว่าไม่ค้าไว้กับหัวกระแทกแล้วทีนี้เป็นอมภพก็อมภาดเช้นเลือดแตกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะรามัดระวังเต็มที่แล้วก็มันสุดวิสัยถ้าสุดวิสัยแล้วก็จะทำยังไงได้เราอยู่กุฏิเราก็ต้องมาสาลามาสาลากันมาทานอาหาร แต่เราก็พยายามในการมาแต่มาไม่ยังลื่นแต่เราก็พยายามพยายามจะไม่ให้มันลื่นถ้าพยายามแล้วก็มันสุดวิสัยมันสุดวิสัยอีกส่วนหนึ่งถ้าเราไปแบบสุ่มซ้มไม่ได้นะแต่หลวงพ่อเนี่ยกลัวหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อพูดให้ฟังท้งนี้ทางนั้นกันเลย หลวงพ่อได้สังเกตตัวเองจึงออกมาพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังสังเกตตัวเองก่อนโอ้ถ้าหากว่าหกล้มลงไปนี่ทำยังไงในขณะที่เดินบางคนก็ชอบหยิบโน้นหยิบนี่อ่านหนังสือไปบ้างอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่เมื่อจริงไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นการเดินต้องพยายามเดินให้มีสติในการเดิน ไปถึงที่แล้วังค่อยจะทำอะไรน้อค่อยทำนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าฝนพวกเราอยู่ในป่าแล้วก็บางทีเราอยู่ในกุฏิชั้นล่างมันติดกับดินตัวนี้ให้ธรรมดระวังเรื่องงูพิษเมื่อวานเมื่อก่อนลุงพ่อได้เห็นข่าววางูนั่นแ่ะ งูสามเหลี่ยมนะบ้านเราแต่ภาษาทางภาคกลางเขาอีกเรียกว่างูสามเหลี่ยมบ้านเราเนระีว่างูทําทานงูทําทานคือสีดําสีขาวสีดําสีขาวอันนี้งูตอนนี้ชอบไปกลางคืนหากินกลางคืนกลางวันจะไม่ค่อยออกถ้าไม่จําเป็นถ้าใครเห็นงูงูทําทานกลางวันเนี่ย แต่ว่าพว น, นั้นต้องมีเคาะมีเข็นนะคนโบราณก็ถือถึงขนาดนั้นแหละแต่งูตัวนี้ชอบไปกลางคืนแต่ถ้าหากว่าเราเห็นแสงไฟไ เ, เราฉายไฟฉายไปนะเราจะเห็นสีขาวสีดําเห็นได้ไกลงูตัวนี้เห็นได้ไกลไม่ไม่ไม่ไมกลแต่ว่าพิษร้ายแรงมากที่ลุงพ่อพูดได้ ทราบข่าวนะก็นั่นนะพอกลางคืนมางูหาไปออกไปหากินน่ะมันเข้าไปในบ้านคงจะบ้านเตี้ยมออพอเห็นผ้าหมม่มก็มุดเข้าไปในผ้าห่มเด็กมันก็มาได้สังเกตเด็กเข้าไปนอนองูตอนนั้นเลยกัดกัดเด็กเลยตายเป็นเรื่องเป็นราว แต่กรนูงูชนิดก็ใหญ่พอสมควรนะที่เขาถ่ายรูปไม้ดูเท่ากับกระบอกไฟฉายอ่ะยาวเป็นวาสถ้าเป็นกระบอกไฟฉายนี่แหละที่พูดทางนี้ให้ทางนี้หะฟังไม่ให้กลัวแต่ให้ระวังเวลาเราจะออกจากที่พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุฏิชั้นล่างเวลาจะออกจากกุฏิถ้าเราไม่อยู่ เราปิดกุญแจปิดประตูซะทุกครั้งหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าพวกสัตว์เลื้อยคานมันจะชอบเข้าไปที่หลบที่มันแห้งมันที่ไหนมันแห้งมันก็ต้องไปหาที่นั่นน่แหละอันนี้จะต้องระมัด ร, ระวังระวังไว้แต่ไม่ให้กลัวแต่ว่าเสือเพลไม่ได้สนใจใส่ใจ เหมือนกับเราอยู่ในเมืองมันก็ไม่ได้นะพระอยู่เราอยู่ในปา่าภัยที่เกิดจากปา่าภัยที่เกิดจากธรรมชาติในป่าเนี่ยมันมีมากเราก็ต้องระมัดระวังพวกสรพิษแต่หลวงพ่อน่ไม่กลัวหรอกหลวงพ่อเนี่ ย, ยที่ผ่า น, านมาทาไมใช่กรรมเก่าจริ ง, รงๆเนี่ยคงจะ หลวงพ่อไปไหนหลวงพ่อสังเกตนะจะเดินไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนเว้นเนเสียจะพวกกูบาจะเปิดให้มันเข้าแต่ตามลำพังของหลวงพ่อหนะลวงพ่อระวังนะตั้งแต่ไหนเป็นตั้งแต่เด็กมาหลวงพ่ออยู่ที่ภูผาป่าไม้มาตั้งแต่เด็กอายุ11บเอ็ปนะีอยู่ในป่า อยู่ที่ภูจกก่อนดูปลาทั้งนั้ น, น, นเลยไนงะตั้งแต่เกิดมาไอ้ตั้งแต่บวชเข้ามาชีวิตป่านะแต่ก็ยังไม่เคยตะขาบยังไม่เคยกัดนะแต่ย้อนหลังไปนี่นะแต่อนาคตเนี่ยไม่รับรองเหมือนกันนะอนาคตนะแต่ย้อนหลังเนี่ยตะขาบเนี่ยยังไม่รู้ไม่รู้พิษ ต, ตะขาบหรือเป็นยังไงเพราะงั้นแนตะ่แต่ว่าถึงยังไงก็ไม่อยากจะไม่อยากจะลองเหมือนกันนะเขาบอกมันปวดมากนะ เนี่ยตขาบแต่แมลงป่องนะเออเคยมีอยู่อบางทีเดินไป อ, อไปก็ไปเหยียบมันเข้าแมาลงป่องเนี่ยโดนหลายครั้งอืแต่จําจได้ก็ไม่ต่ากว่าหกครั้งแต่งูหนึ่งแต่สมัยเป็นเด็กเคยมีอยู่แต่เป็นงูเขียวงูเขียวตุ๊กแก่ฮะงูเขียวที่ไม่มีพิษเ อ, อมันก็ยุ่มสิ หลังฝาฝามือก็เท่านั้นแหละจากนั้นก็ไม่เคยละมัดระวังเรื่องอพิษสลดพิษแต่ผู้เจ้าก้ อ, อเยอะนะงูนะขนาดเอาตั้งสายบาดไว้เนะี่ยสายบาดไว้วเอาผ้าอาบน้ำปิดข้างบนสายบาดมันยังเข้าไปกดอยู่ในนั้นน่ะกดดูหลังฝาบาดนะ คนท่านหลวงปู่ ล, ล, ลาเนี่ยท่านชำชับมากเลยไม่ให้เอาผ้าพับพับเสร็จแล้วก็ต้องเอ า, เอาขึ้นไปตากไว้บนลาวอย่าไปพาดไว้ลังบาดมันรู้ไม่รู้ ก, กี่ครั้งมันกันเพราะนั้นชีวิตอยู่ในป่ า, อาของผู้ที่อยู่ในป่าต้องระมัดระวังเแต่ในวัดของเราดีพอหลวงพ่อทำมุงลวด ทุกหลังประตูก็ปิดอย่างดีพวกมแมลงพวกสัตว์เข้ายากเพราะว่าเราปิดอย่างดีเว้นเสียถตลงมาจากข้างบนบางทีเราใส่ยิบยิบซ้ำยิบซ้ำบอร์ดคูบาเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้ดูแลฝนมันรั่วอยู่ข้างบนลงมาตกใส่ยิบซ้ายิบซ้ำ มันดุยเออแล้วก็เป็นรูลงมานกุฏิบางหลังอาจจะมีอย่างนั้นแต่ทีงังไงก็ถ้ามันมีอย่างนั้นในช่วยๆกันดูนะกูบาทั้งหลายนะยาหากระเบื้องตีปิดขึ้นไปเลยไม่ต้องลือ้อตีปิดขึ้นไปเลยปิดรูเก่านะปิดทั้งแผ่นเลยก็ได้เราไม่ต้องคิดความสวยงามหรอก ความปลอดภัยนั่นแหะดีที่สุดบางคนทําไม่เป็นหรือออกกว่าจะทําได้เสียหายอันนี้เราเปิดกันไปได้ตีตะปูหัดเข้าไปเลยจบแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนด้วยข้างบนมันรั่วที่ตรงไหนอย่างไรช่วยๆกันดนะูเขาสร้างศาลาสร้างกุติทังหลังให้เราอยู่เราสร้างได้แเราเข้าไปอยู่นะั ดูแลวความปลอดภัยซ่อมเท่านั้นก็ยังไม่ได้แสดงว่าเราเยแย่มากเหมือนกับเราไม่ไม่ใช่คนสติปัญญาของเราไปไหนเหมือนกับลิงลิงนกขเขมินมันดูถูกกลิงนพอเห็นกลิงนมาอยู่ใกล้รังของตัวเองนกขเขมินโผล่หัวออกมาจากรัง โอ้ลิงท่านก็มีหัวหัวของท่านกับหัวมนุษย์เหมือนกันมือของท่านกับมือมนุษย์ก็เหมือนกันแข้งขาก็เหมือนกันท่านกระโดดในต้นไม้อีกได้อีกต่างหากแต่ทำไมท่านยังไม่สร้างบ้านสร้างเรือนอยู่อันนดูด้ฝนตกมาในสันงกงกงๆงกปนหนาวอ่ะทำไมจึงไม่สร้างบ้านอยู่เหมือนกับมนุษย์เขา มนุษย์เขาเขามีบ้านอยู่แต่ท่านทำไมเหมือนกันกับมนุษย์แต่ทำไมไม่สร้างบ้านอยู่เหมือนมนุษย์ลิงเกเรตัวนั้นก็บอกว่านกขมิน้นเธ อ, อยามาสอนข้าข้าเหมือนกับมนุษย์ก็จริงอยู่แต่ข้าไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์แต่มีแต่นี่แหละ อ, อย่ามาสอนข้าก็แล้วกัน เดี๋ยวข้าจะขยี้ลังแก่เดี๋ยวนี้ล่ะพอวาทนได้กระโดดไปจะจับนกนกขมิญ น, นกขมินกันรีบออกจากหลังจากนั้นกับปลิงตัวนั้นก็เลยขยําลังนกขมิ้นนเญโยนลงไปนี่แหละสมัยนั้นพระพุทธเจ้าขวัญนั่นแหะนกขมิ้นกับปลิงสรุปแล้วก็นกขมิ้นก็สอน สอนคนสอนผิดที่ผิดทางเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปก็น่าตำหนกตำหนีินกขมิ้นเหมือนกันแต่มันก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าลิงจะเกเรถึงขนาดนั้นออสอนนักเลงไะนักเลงมันไม่ยอมฟังมันก็เลยเข้าไปยี่นักลังนกขมิ้นนกขมิ้นก็เลยเพ่นหนีเลยตากฝนเหมือนกันลิงเลยทีนี้นั่นแหะ อันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นพระทั้งองค์ตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็น่าจะดูได้จะให้เหมือนกัะลิงระลิงเพราะมันมันก็ยอมรับว่ามันไม่มีหัวมันไม่มีปัญญาเนื้อทุกอย่างฆ่าเนี่ยคล้ายกับมนุษย์จริงอยู่แต่ค้าเนี่ยไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์นะมันก็ยอมรับอยู่ยอมรับว่ามันโง่อยอันนี้เราเป็นพระต้องดู กุติถ้าทำเองไม่ได้ก็คูบามีเรียกคูบาไปช่วยกันดูแต่คูบาในวัดทาไม่ได้ช่างมีเรียกช่างไปดูมันมีหลายขั้นตอนแต่ถ้าไม่มีช่างนี่มลหลวงพ่อไปดูก็ได้หลวงพ่อครับกุติหลังนั้นหาคนไปทาไม่ได้ครับผมอยู่ไม่ได้ครับบอกมานะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปดูให้ หลวงพ่อสร้างทั้งหลังทำทั้งหลังยังทําได้เพราะฉะนั้นพวกเราน ะ, ะช่วยกันดูและอีกอย่างเรื่องถังน้ำนะเมื่กอกี้ในกระบอกท่านต่ําแล้วนะช่วงนี้นเป็นช่วงที่น้ําฝนอยู่ตามกุฏิต่างๆมีถังน้ําควรจะขึ้นไปทําความสะอาดลางน้ํถาถังน้ำซะก็จะได้ใช้น้ําแต่ถังน้ําไหนที่มันเออมัน แห่งมันสดุดฐานมันสดุดนะก็ควรจะเอาปูนไปเทนะเทให้เรียบร้อยซะช่วยๆกันดูนะทั้งกูบาใหม่กูบาเก่ามันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราจะไปหิวน้ำจากหนะรือว่านั้นขนน้ำไปบางทีมันอาจจะได้ใช้แนะต่กุตีลงพอ่อเนะี่ยทังน้ำสองสามถังเลย หลวงพ่อหลวงพ่อดื่มได้ทั้งนั้นนะพราะเห็หนใดพอน้ําฝนนี้ก็เหมือนกันนะน้ําฝนของพวกเราก็น่าจะช่วยๆกันดูถังน้ําแต่รอบสลาเนี่เต็มหมดแล้วล่ะถามๆหลวงพ่อใสใจนะเรื่องน้ำเนี่ยนะเรื่องน้ําฝนนี่หลวงพ่อใส่ใจเป็นไงเรื่องน้ำเรื่องถังน้ําเป็นยังไงหลวงพ่อใส่ใจเพราะเรื่องน้ําเป็นปัจจัยสําคัญ ถ้าว่าน้ํามันแห้งไม่มีน้ําฝนอแต่ก็ลงทุนซื้อน้ําขวดเนียมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะมันหมดไปเท่าไหร่อย่างที่น้ําฝนมันสะอาดแสนสะอาดเพอเพอสะอาดกว่าน้ำํำในขวดเขาอีกต่างหากอย่างที่หลวงพ่อได้ยินหมอท่านหนึ่งท่านพูดพอนะพอ อ, นะพ อ, อหม อ, อพอเขาอัด น้ำใส่ขวดเออพ อ, อ, อมามันมีเชื้ออยู่ในนั้นเชื้อโรคเอ่อพอไปตรวจเอา้าทําไมมันมีเชื้อโรคอยู่เลยปวดน้ำนะพอที่ไหนได้มันน้ํามาจากไหนมันมาจากเออท่อที่บอ่อบาดาลน่ะที่บอ่อบาดาลที่กุดเจาะบอ่อบาดาลนี่มันเป็นติดหัวส้วมอ่ะเจ็ดติดท่อส้วมเขาน่ะ พอน้ำส้วมก็เลยซึมซับเข้าไปในบ่อปลาดานเนะี่ยพอบ่อปาดานขึ้นมากันเนนะ่ยมันก็เลยน้ำก็ไม่สะอาดเลยสิมันกรองกันไม่ดีเลยผลที่สุดมันก็มีเชื้ออยู่ที่นั้นเชื้อโรคอยู่ที่นั่นเราก็บอกตามไม่จริงถ้าเราอยู่ในชนบทอย่างนี้ น, ะน้ำฝนนี่ดีที่สุดครับหลวงพ่อเป็นเสียแต่เรอยู่ในเมืองแต่อยู่ในเมืองมีโรงงาน ถ้ามีโรงงานขึ้นแล้วก็มีท่อไอเสียท่อน้ำมันขึ้นไปในอากาศก็ทำให้มลภาวะเป็นพิษอยู่ในเมืองถ้าอยู่ในชนน้ำโบดอย น, อน่โอน้ําฝนสะอาดที่สุดครับอันนี้ก็ฟังฟ ง, งเอาไว้เหมือนกันนะเก็บฟังเอาไว้เพราะว่าเราเราศึกษาทั้งหมดไม่ใช่เราหลับหูหลับตาต้องฟัง อาร่ะพอในตะเนีนะหลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งวันนี้สหรับการเป็นอยู่การดำรงชีวิตเพื่อความปลอดภัย